เทศอบรมพระวันที่ย5สิห้าพฤษภาคม2521นอี่นี่พูดเรื่องฝันติดกอไผ่ฝันได้เหาะรอบนครหลวงฝันได้รดน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดนั่งสมาธิตลอดรุ่งเป็นพูดบ้างเทศบ้างนี่ไม่ต้องอัดให้ใคร เรื่อไปในทางแคบมีก็ไผ่คนล้มทับทางขวางทางเนี่ยลงขวางเนราก็จะวาดบัตแบบกดไปก็คองย่วอนมันทัดเจนดีนะคำฝันจึงไม่ลืมใี้ทุกวันเนี่ยคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันตับเป็นม นอกจากทางติดตันหมดแล้วก็สองข้าวทางมันมันก็ตันหมดตันด้วยความโรภชัดของป่าแล้วพอผ่านล่มทับทางอวางทางที่หนึ่เราจะไปมองหาทา่ไหนก็ไม่มีทางไปทางข้าทังเขอหาทางไปไม่ได้นอกจาต้องกลับคืนทานั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะเแยกตรงนี้มันมีทางแยก ในกำฝันนั่นชาดอยู่ในบางตัวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยพอจะหลวมตัวนึ่งก็ไหวคนนี้มันพอจะไปได้ะพอจะหลวมบาทเราหลวมหัวเรานี่พอหัวงุดเข้าไปนี้ได้เราก็ดึงบาทไปนีงจับสายบาทดึงมือไปนี้ได้ออกไปง่ายแต้บาคุณก็เปื้อนใช่ชาจีวรหรอกนะ ดวงจะเกิดตเตียงแล้วลงคำนั้นเหมือนอย่างนั้นคานดีๆคานดีก็ทั้งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันดวงมนเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นม่มีที่จะมาคนนั้นพยายามบืนกันบืนไปบึนไปเีเตียนน้อยโอ้บืนระจนพ้นได้อพ้นได้แล้วกน จับสายบาทดึงบาทมาตามหลังของขกดใส่ไปทางหน้าเหมือนกับเราตั้งทําเวลาดีๆไม่ได้หลับนี่นะคําฝันนี้ก็แปรไดเป็น ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันเหมือนเราต้องทำมาโดยสุดมันนั่นที่ไม่หลับเหมือนเหมือนรอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั ก, ดก็ใส่ไปางหน้าก่อนแล้วเราก็กอกถูยอยินเลยมันเลยคานไม่ได้คานนะ มันอะไรอะไรนีเะเกียตกับการไปเรืพอเจวาของพ้นไปแล้วพอบาดดึงบาดั้นเวยสายบาดมาน้วยพอพ้นไปแล้วก่อมือไปจับสายบาดได้ดึงมาดึงมาช่องนั้นเนี่ดึงมาได้บุด้าพ้นตึ่นไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเป็นมันเหมือนกับ เ, เป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เอง มันก็แปลกแต่ที่ว่า น, น, น, น้ำเกาะ น, น, น, น, นั้นหูน้ขวนเลยไม่ปากกดนะไม่ปากกุดนะคำฝันปากกดตัวมันมันมัายเดือดนั้นมันพอคนอันนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้นยี่สิบานี่ยประมาณยี่สิบวันปามันน้ำโอ้โมันมหาสมุทรนี่ เวิร์ว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราไปดูทะเลอ่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอย่นี้ฝั่งหน้ามม่มีเลยฟ้ากับบินฟ้ากำน้ามันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่ไปไหนมึนใจจัตอนนึกาะนั่นมองมึงมันเวิร์ว้ามองไม่นานน่ะเหมือนกับตึงเรื่องนี้จะมิดตึ้งอะไรตึ้งขิดเหมือย จำได้ที่ติบถึงเขียนนิดหน่อยยืนอาหารน้าดีเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคาเดียวเรือก็มาถึงพอดีเราก็พูดว่าปลงเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปโน่นไปนี่เลย แต่เราลงไปถึงเดือแ ล, แล้วเรามองเหน็หนเกาะมีอนู่นเกาะอยู่กลางน้ํากลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนน่นพอดีเรือมาตจอดปุ๊บนะเราก็ลงเลนะเลงเรือเรือกับพาบึ้งเลยนะดูไม่ได้จาไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทําไมเรือพาไปเลยตรงนั้นนะ มีคนเดียวที่ขับเรือบึงขอคํามฝันก็เร็ว่น่าไปนั่นก็มีนี้ระสอบมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทนกับเรือเราเกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็เหม็นมีพุ่งบุ่อไม่นานก็ไปถึงเกาะนั้น มันเป็นความฝันมันไม่นานมันเป็นเครื่องเก็บเทียงออกถึงเราปั๊บๆเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือจริงไม่ใช่เรือมันไปไหนอีกนะเราลงจากเรือก็ปุ๊ขึ้นเลยแล้วเรือมันจะฉับไปไหนไปไหนเนี่ยสนเพื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาหน้าเกาะเกาะนั้นมันยัเป็นเขาเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ไปเห็นพ่อแม่คอาจารย์นั่งบนเตียงบนแค่ไม่ใช่เตียงเป็นแค่เนี่ยถักเหมหือนฝา้งตาหมักจับๆอ้านี่าออทำไมถึงมาได้ระหว่างั้นนะฮะหมาทำไมไ ม, มาได้โอ้ยข้ามเรือเอามาเลยเรือแล้วข้ามเรืองพะนั้นพูมเหมือนมาอ๋องั้นตำหมนาน่ะ มาเรยื่นตะ บ, บันหมังแล้วก็ตำ จ, ก, จกสองสามจกเลยรู้รู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งกวานี้ไม่มได้หลืสักโมโหฝันเงื่อนราิ่เกม่อนี้ปีว่ได้เรอเพียงท่านยื่นตะ บ, บันหมังแล้วตำหมากของสามจกแค่นั้นแล้วตื่นแล้วต่แล้วมากรจะสำเร็จาาะจะนานน่ะ่มแดงถึงความจะข ม, มัตต มาตัดองศาลข้ามมหาสมุทรมหาเนยงเอามามหาสมุทรตัดเทียบกับมหาสมุทรมหาเนยงที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหาเนยงข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรานี่จะก็ยินได้พอตื่นเข้ามาออกมุ่งเนี่ มีโอกาสเมื่ อ, อไรก็จะกล่าวเรียนเล่าถวายพ่อแม่พมิมพ์การกันข้าวันหลังเนี่ยคือวันหลังไม่ใช่ข้าวคือคือตอนบนเย็นวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วขึ้ปาานป่าท่านคือกันธรรมนานั่นก็มีเล่าเรื่องนี้ถวายท่านท่านอย่างท่านทํานายถึงเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดเลยพอเราเล่านี้สวายแล้วเอ้เอ อย่างบางตัวมีลาบากนะถ้ามานะเอาไว้ดีนะถาวรนั่นนะบางตัวนี้นตะเกียบตะกาจะเป็นตะการนะแต่จะถอยนะหมูบอกแล้วนี่นี่นี่หมูบอกแล้วถ้าเจิงนะัน่นนะทอนถาวานี่นะบางขัน้นเร่มแรกนี่ต้องเอาเงินให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตานเอามันรอดได้ก็ภายเหมน่นานะาี่นะพายคือิงจิคืออุปสรรคเครื่องิดขวางให้เต็มเดสอนาอาช มกว่าเป็นน้าํามันอขีดขวางทางเดินเราัางเดินเราเดินมันคือความเพียรเราพยายามรอดทุกความพยายามความเพียรของเรานั่นเองเอพอพคนไปนั่นเนสะดวกแล้วใช่ไหมหวังนะเนี่ยนะมาติดตรงปันตน้นเนี้อ๋อดีหน้าจริงๆด้วยนะอย่างนั้นว่าเพราะฉะนั้นสีผงกลำลําเสือมนี่ไม่เป็นพุ่งเหมือนกับุูนกับไฟพยายามเท่าไหร่ เป็นปีนึ่จิตพอเสือมอเข้าได้ป่ะเข้าสมาธิได้ <S <S ปะ่ะปีนั้นมันมันขึ้นไงมันต้องทุ่มกำลังกันลงเต็มที่มีตอนนี้ลามาาล์นุงจะเป็นจะตายเ น, นี่ยตอนเือดรอดข้อไผ่อันนี้กจิตเื่อด้วยนั้นก็เรื่องควาเปลี่ยนมันก็มนเมนสาย ครกขึ้นกองปวกย๋ยมกิ้งทับหัวเราลงไปนะแต่ทับหัวนี้ว่าทําไม่ตายหัว น, น, นั้นถอยสลบเฉลมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกวิ่งอีกกาลังฟองดิ่งทับหัวเราลงไปอีกอ่ะลุกได้ดิ้วฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอยู่งนั่นเนี่ยนี่มันตอนนี้มันได้เข้ากันยยัจริงนะถ้ากฏว่าเข้ากันได้ปับ๊บแบบนี้ พอหลังจากนั้นแล้วทมันก็เสมอไปด้วยอย่างเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตอนี่ในแรกมีจิตได้จิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตะลอดลงุงตลอดลุงมันก็ยิ่งแน่ถึงเกือนก็เริ่มถึงขันข้นหังจิตชัดเจนเลยว่าเออตึงนี้ไม่เสื่อม น, น, อนะน่ะอาณาจิมันแน่แล้วนะเนี่ยต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมได้ถ้าให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันด้วยมันถึงพัก ไม่กำเริบในขั้นนี้นก็รู้แล้วไม่เสื่อมรูม้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนมันเป็นครูเอกแล้วถ้าอ่อนน้อมมาเป็นปลีละเราจะรับความทุกข์ความทร ม, มาร์เพราะการกคดดิดเองไม่ลงด้วยความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่ากเอกถึงยังไงมันก็ไม่อน่อนใจถ้านะบุกหิบจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายซะปลอดหิจะเสื่อมได้ทาให้ตายแล้วเสื่อมไม่ได้ พอมันเข็บมีปู่ทั้งน้นไม่ตอนฉะนั้นแต่แลงคนค่อยเส ม, มอเส ม, มอสมาธิเส ม, มอแล้วก็มองไปเลยขั้นปัญญาก็นั่นที่ข้างมหาสมุทรยงไปเกาะนั้นต่นั้นมวนติว๋วเลยมหาลึนั้นมหาลึกม า, รรมมารรมปัญญาย วิสติปัญญามะหนึ่งทิ้วทั้งวันทั้งคือไปเองเลยก็เหมือนอย่างเรือพาไปเพอลงปัามในเรือก็พาไปเอ ง, อ ง, เ, รอง เ, เรากินละมุนถึงมุนกระโน้นก็ไม่ต้องบอกคนทายเรือไพ่เรือมนก็เป็นพุ่มเหลาไปเลยนะมันไม่ไม่ใช่เรือจากเรือยนเงี้นะยตัวไพ่มันก็ไม่มันก็ไม่ไถ่มันอะไรก็ไม่รู้นะ่ะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี่นี่นะมันไม่ใช่ อันทายเรือไปเยอะเขาบบเหมือนเขาพายเขาเ้าแกวันไม่ทช่นะนั่นเป็นยังไงมันนเรือมาพาพุ่งพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันพอเป็นเครื่องหมายเทียบเท่าันนี้นเฉยนั่นก็พุ่งพุ่งไเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาตรงน้นไปหานะเกาะนั่นต้นไม้ข้างนอกสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหา เพราะนั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ราบื่นเหมือนกันไปเลยๆเสมอมาไปเรื่อยๆแตนั่นก็เป็นปัญญาติ๋วติ๋วติ๋วก็ไม่มีประสาทตรงไหนปัญญาเเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกาลังของปัญญาไปตามเรื่องอำนาจของพิเวมมากน้อยปัญญาขี่ขึ้นมาคือเหมืนก็ไปหมดไปหมดไป เินนึงอันหนึ่งที่เวลาเราจะออปฏิบัติเราตั้งสจาะที่ฐานอยู่ที่ว่าบรมีบานเนี่ยเราทีฐานมันเป็นสามข้อคือผู้ใหญ่ทั้งนอนไม่ให้ออกเรานั้นอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยถ่ยศนั้นไม่ออกให้ต า, ายจะดีกวา่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่จะต้องเด็ดอเลี้งต้องึงหาดูเอาไปชิงไม่ทนท่านรู้สึกกันไม่สาผมมากมันจะพยายามเอาไว้จะให้ผมออก คราวนั Finanz, ้นท่านไปกางจังหวัดผมได้โอกาพลาสมเด็อสมเด็จหายวงติโสอ้วนตอนนั้นท่านเป็ดหน้ากวีสมเด็นยังหายวงเอาวีทนท่านก็ลาสมเด็จได้ก่อนที่จะไปนี่เรือวิถฐานตันใจวิถฐานนังสิงห์ไพระสมมนิมนต์นักบวชตั้งสัจจวีทฐานขอบารมีบัน ข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราก อ, อกไปแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้มีนิสยัยแสดงอย่างอัจงอศจกรย์แสดงอย่างอัศจารย์ซึ่งไม่เคยรู้เัวเองให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวางความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างย่งอมไม่มุ่งอย่างอื่ หากว่าเราเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่หวังคือหมายถึงภานด้วยระหว่างขอแสดงความประทับใจขึ้นหนึ่งมิเป็นอันดับเนี่ย<ม>หาก็าได้ออกคือเราได้ออกด้วยเราตั้าเด็กความหมายด้วยให้ฝันใหญ่ปัะจรบใจเพราะผู้ใหญ่ผูกมัดมากแต่อยังไงไมันก็จะต้องออก ออกแล้วมันส okay, ําเร็จตามความมุ out, ่งหมายก็ควายฝันลงไปแบบนั้นฝันไปก็จะเพียงว่าออกไปแลรกก็ถลืมถลไม่ได้เรื่องในลาทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ก็ให้แสดงในสามวาระสามประโยชน์นั่งพิจารณาดในทางไหนก็เอารู้ดูทางความนาก็เอาคือเห็นดูทางของมฝันก็ก็เอาใช่ไหมเพราะเราภานาอย่างนี้ ในแดนสยนต์อนามันหลับไปมันก็ต้องหกคู่นั่นมันหลับไปฝังหูหอกนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงหลวงอะไรก็ไม่รู้แหละมองที่สุดท้ายายตาลอกนี่คือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้้องเาอะไรนู่นแล้วหอกมันมุงบนนะ มองลงไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับว่าเมืองไทยอะไรทั้งเมื อ, มม อ, อ ง, งมันเป็นเมืองหลวงทั้งน้ำทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงทัน้งนั้นแล้วมองลงไปนี่โอ้โอยู่ไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นเป็ น, ปนหอปราสาทไงมันไม่ใช่บ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าพาพเผยความ มีสีมีแสงเรื่องเป็นพัพผผมเหมือนยังว่าไอ้ลูกตาอะไรนี่มันมันจะแตกไปใ น, นหนังมันหนุนไปนะมันคือแสงสว่างความแผลาวาๆของอของเมอืองนั่นแหะอ ม, มองไปเหมือนกับคําทองคําทั้งแข่งเป็นลนะักษณะเหมือนทองคออําหมดตึกไดรามตไดรามมาั่นตั้งอยู่ไนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมาชาติแล้วยัง แีงกระจาลงมาเหมือนไปฉายลงเหาะรอบถึงขนาดนั้นีเหาะรอบถึงสามรอบนะเหารอบตากรวดใหญ่กว้างเหาะรอบถึงสามรอบแล้วก็ลงพอลงถึงพื้นก็พอดีลื้งติดตัวโอ้โหก็ยินเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั้นด้วยแล้วเวลาเราเหาะแบบนี้กับตัว ติลไปเลยไม่ไมีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกด เ, เ, เป็นการกดการถ่วงไปเองขึ้นน้ำหมากขึ้นยากผมมีเห็นมีอืมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายนี่นพอเหาะขึ้นไปก็หาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยนะครปเป็นเมืองนะครหัวงันั้นเป็นนครอุตสาหกรรเหมือนนครเหมือนสวรรค์ว่างนันคุณยังไง แน่คราวนี้นายได้ออกแล้วนาต้องสาเร็จพอถึงช่ามาก็เขา้าลาสำเร็จทั้งกะวีให้เลยเบิมงท่านดีฮะออกมาผมเด็กตามอยู่แล้วท <c ười> ่นจะไปวุบว ท, ท, ท่านท่จจานามาเราทางเราที่อาเภอจั ก, าากลาดจังหวัดโคราชนี่แหละ ท่นสั่งว่านั่นงท่านมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจากกาักราท่านจะเรียกผู้บุญดังมาตอนออกพรรษานาี่ยแค่ตอนออกพรรษาเอาพรรษาไม่ใหม่ตอนแรกท่านเจนี่หมายมาบอกคนให้กลับรกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จะพรราพอพรรษาแล้วท่านมาทีนี้ท่านจะเอากระด มัหน้านี่เราจะมาไปพร้อมรออะไรมาไมัไ้ม่ไมาหาไม่ได้มาต้องคำที่ต้องคำที่พูดยังไม่สักกี่ประโยคแลเราไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็เพื่อนจากสถานีก็เราก็ตอดลงพ่นตัวเดี๋ยว่ารอตัวก็สไปผ่านไปแล้วไม่นะเปิดนี้มาผมจะพิจาร์พูดทันึงนิดๆนะนี่จะพิจ มันเป็นไปนอย่างนั้นอันนี้ไปทา่าหยุไปอยู่ทางห้อยชายประมันมนี้อัี้กันหนึ่งแล้วอันนี้เป็นนิสิตกันแต่มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราหรเกี่ยวกับเรื่อง การรวบรสมต่างศาทนาคุณตากุดว่าพระพุทธเจ้าคือพระทุทธเจ้าทุกโุองนักฟังเประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นเป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดเทล่าแล้วจากพุ่งไปกว้างกว้าแเราก็หอะขึ้นไปไปสูงน้ำกัน องคนัาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุตูปเป็นพระกฎพระจริงพอขึ้นไปแล้วการ ร, รูปวรูปทองคาทั้งองค์ทั้งองค์เลื่อนอลามองเท่าขนองเท่าขนองต่เงขนเป็นปปุนตึมตุลตึมตุลทองคาทั้งนั้นไปแล้วไปส่งท่าน เลยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรเต็มที่เป็นเครื่องดูดชาใเ่แต่เขาว่าผมน้ำทับมันมันก็รอบหมดนะที่ระสงน้ำพระพุทธเจ้าอดีตเพราะมันเป็นในนีนะ้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเดียวเม่พอหลังจากนัานน้าก็ออกจากนั้นแต่ก็มีประชาชนแน่น หากเสรมันไปอีกคักนึ่งต่ําไปประมาณทักมันต่ำเหมือนกันประมาณทักวารกว่าเราก็ลงจากพาคนั้นลงไปที่นี่เวลาต่อพมน้ำมนต์ให้ประชาชนเพน้ํามนต์จะตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากฟ้างืพอเรามือเราสานน่งแต่กระจายกันเลยแต่กระจายนี่ทั่วถึงอย่างรวดเลยนี่รสชาติมันกันมันมาเกี่ยวดมแม่ดมแม่ มาคงล่างเรากำลังตอนนั้นเราเนหอกนั้นเราเราเราไ ม, ม่ดีหมอนประาันนั่งเหมือนเราหอกอยู่บนประ า, าันตุลนั่งจับมือนี้มันออกก็น้ำมาาันจะไปเนื้อทจะกลับเน้อแบบมันโอ้โอเสตุลา้านนี่จะต้องกลับซะกอ่อนนี่เสตุล้านนี่แ้งจะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรอยอยู่นีหมายจะมีรอยอยู่บ้าน แม่สมก่อนรดน้ำมันจะเต็นเสร็จแล้วก็หาลงมาเข้าคุแม่ปูเสือไว้เราตรงนี้นน่พออมันนั่งรอย่งแล้วก็เหาะลงไป้นน้าบ่าแล้วเปนบานมันก็จะสอนลุแม่อะไรีแต่ไม่ใังคือตอนี้กสุดตัว เอมาพนาพอตามมือพ่ออยู่แม่ก็รเอาทำไงเอาอยู่แม่บวชนิดจากในนั่นเนี่ยเกี่ยวันกันอยียงพิจนาผมก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจไปตามลำนับของมิตที่มันเป็นเครื่องเทียบเดียวไอ้หนูนมันจะไม่เรื่องเวลากับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอ้หนูดีอย่างพนาเลยอนแรกก็ตนที่ท่าก็ถูกอย่างนู้น มันก็ยิงเขาของเราไงขอเราผู่วยไเตียย้ม่เกไเียเรื่องราเสมแม่ของเราเรามาบวชแตแต่นึ่ส่วนที่นี่นประชนนีนัประชนนี้มีเกี่ยวกันต่างสอนประชาชุ้เราก็เข้าใ่นหึงน้า ผมน่งบอกพูดทะลุสนานเราเราไม่พูดนะนั่นอย่างนี้นิดมันก็แปลกนั่นคึอนั่นก็ลําบากการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติลาบากสุดมากนั่นนะแบบพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลําบากมันก็จะขี้เกียจแต่มันลําบาก้มันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจ ยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งคิดตัวคินรับกันหน่งมันก็แปลกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นกลิกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้มุ่อยู่ตลอดเวลานาเมื่อถึงค่าวเป็นกรอบเป็นหม้อมาแล้วมันคิดตัวตัวเองได้นั่นหลักเวลานั่นมันฉลาดไดม้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอาจารมีธนูอาถูมีสมการคิด มี <t <t <t <t <t <t ัึ้นพูเลื่อยเลื่อยตั้งแต่เกิดมาพอพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมานพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชกัพึ่งครูพึ่งอาจารย์แม่คิดให้เป็นเนื้อเป็นหลังของตัวเองเวลาคมีความลบากบนอะไรๆตั้งแต่ฝกอบรมฝังสอนมาเยอะทุกอย่างอืมก็ไม่ค่อยไ้คิดเวลาออกปฏดิธรตนเองเพราะความตั้งใจนี่ อะไรบอกว่าไม่ทำอะไรว่าไม่เจอเรื่องกิก เ, าาเลสมันผ่านเข้ามาเลยค้าศึกมันผ่านเข้ามาเลยสวยทั้งตัวโดยเข้ามาหาด้วยคำบั้นปีวันได้เลยงานด้วยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันต่อสู้กิเลสมันต้องมีอาวุธรติผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผลิขึ้นมาเรื่อยๆมันก็งองผ่านไงี่เดี๋ยเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมัดเกลนนื่อนไปโดย มีนิสเราเป็นงนั้นนั่งจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรนี่เอาจริงเอาจังน เ, เป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาเป็นกรอบเป็นมุมมั น, นยยที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆเป็นนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ไทยเพราะว่าไทายเก่งเรามีี่มันจะได้รู้ว่านั่งตัง้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่ม เป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงไม่ในอนเป็นบางวันถึงจะไปถึงเวลาบิณฑบาตมันไมออกออกก็ปู๊ป่าก็โดดไปเลยทออยู่กับหมูกับเพื่อนทางอยู่กับยองยังไม่ออกอีกมันจะสี่ชั่วโมงนี้ไม่รู้นะทีนี้อยู่กับครูบอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่กการบ้นมันบานน้ำมนในพรรษานังการวิถฐานไม่พักจำมัดไม่นอนกลางกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือน เย็นว่าแต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดริ่งวกลางวันจะพาวันนั้นเท่านั้นนอกเท่านั้นไม่ให้พาความตัดจรินบังคับเรื่องของตับวเวลาความเพียรมันตึงที่เวนาเต็มกรอบไม่มีผู้ที่ทททกกจะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรนั้นเต็มกนีกก้ลุกเวลานาครเข้ามาครอบเข้ามาหิบจะเกิดความฟุ้งซ่านบุนวาไปไหนจะตามกัน เอากันเอาถึงทั้งจะสู้ทุบไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวรานามม้ำเกิดขึ้นในขันจิตก็บุ่นวายเราเลยเปิดจิตเวรานานขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไตภาคตึสองห น, าน้าเนี่ยทุกเวรานาำ ม, มากเท่าไหร่จิตมันก็กระเพื่องนี่มันดิ้น ม, มันหาทางออ ก, อกแล้วให้ออกแบบโลกออกกันออกห า, หาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้า เพิ่มทุกข์ก็มีเราหาทางออกแบบทำนั่งะคนขันสติปัญญาทุกมากเทาไมันยิ่งหมุนจี่จี่ี่เข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้อถอยเลยเอาให้รู้มันทุกตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้นทไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางกั้นทางถ่อหลังไม่มีเบิร์ข้างหน้าไว้ หลังตัดน้าําจุกทางด้วยนะเลยนะัยนคอยหลั ง, ลงไม่ได้ตอนพวกวยุยเป็นน้ำหนังหน า, หนหนาข้นเลยข้นมาเทียบเที่ยงผลข้างหน้าหลังก็พอรอบด้านนั้นมันก็ลงนั่นเนี่ยมันถึงประจับเวลาคิดพิจารณาพวกวยุยเป็ น, นาตายพอพิจารณาเห็นอย่งชัดเจนเมื่อหนังนั้งสังเป็นต้นเยทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ม, มีรูปลักษณะยังไงการ าการของร่างกายต่างๆมันรู้ว่าเป็นยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างนี้ชหดทุกอย่างนั้นมันก็รวมตัวต่อยกันเลยนา้ของสุจริตอืมปัญญาบิสณาถิคือปัญญาตีพล่มเข้ามาทุกเวทนาท่ากล้าจิตใจก็ฟุ้งซ่านบางคราวก็โค้นไปเห็นผลไม่ทั้ง ปัญหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิบที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถานมากทีเดยวบางทีมันจิตมันคลุ้งคลาดเอากันตรงนั้นในขนาดนั้นถ้าที่ทุกเนลาเอาเป็นจิตหมอกนี่ก็หาอาหารแต่ว่าตอนนี้ใช้ท่านเป็นวันนี้ใช้ที่เป็นี้ ที่ใชเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากกับบ้างทุกคนเนี่ยเพราะพี่เหรียมันไม่เคยพาทํำในไทยง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนคว้ามันลงมั น, มนเป็นก็เป็นตายล็ตายตั้งให้ดีกิจยาวันอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแต่สามมีคุณค่าอะไรนะนอกจากใจโลงเยี่ยม ที่เกลี่เยเออกได้มากน้อยจ ะ, สะแสดงคุณค่าออกมาที่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรจะมือเหมือนจิต ด, ดวงนี้เลยมันเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยสิ่งทั้งหลายเพราะมันมีอะไรเหมือนกิตเราพิจารณาลงไปชั้นๆแล้วมันก็ป ล, ปล่อยปล่อยเพราะมันสู้ น, นี้ไม่ได้ ขึ้นไปข้างหน้ามั้งกูก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเดื่องจะก้าวก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนกันขีดเข่าขึก้าวขึ้นนี่ต่อยข้างหลังไปเรื่อยๆที่จะนาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยๆที่ปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามัสําคัญด้วยถอเหมันนี่ยจะ เอามาทั้งเกศนี่ไปหลงออกกับพี่มันเสียฝัดเป็นเกศมันก็ไม่ถากออกก็ไม่หมดไปเลยอะไรถากันอกไปหมดเหลือแต่เกศนั่นล้อืมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้มันไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนายเย็นไปเย็นมาโดยภพไหนชาติชาติใด มันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกาเนิดอย่พบการ น, นั้นเหมือนกันเพราะมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะจะ ม, มีทุกข์ได้หรอือนอกจากวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยอแล้วพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในพบการนั้นแมน้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นมันเหมือนกินข้าวครับผสมกับแก่กับ ลำนั่นเนองมันจะไปเด็ดอร่อยที่ไหนมีแตเข้าวล้วนๆดิยันแสกมีําอยู่ในนั้น น, น้องลำบากม า, ากแต่เราไม่เคยคิดท่อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรทำหนี้ตัวเองได้นอกจากได้ชม มันทําได้คือเดี๋ยวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ให้ทําอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเปนอนั่งตลอดวุ่วนอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งเพิ่มขึนอย่ทีเดียวนะมันต้องห้าคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเย็นคืนเย็นสองคืนบาน้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเย็นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนทั่จิตมันแน่วจริงจิงที่นี้ค่อยเดินไปด้วยสมองไเสมอเราไม่ทรมาร์มมากนะ มีพ่อแม่โครการท่านเดียมีเพราะท่านเราท่านเห็นเมื่อเราเป็นคนมีืดอดดุรุ่นพูดอย่างไะการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้ยังอย่างเคลียรแ ย, ยบไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทาให้คนโซ่ๆนี่อ่อนแอานการยก เ, ย ก, เยกือกเทียบเมันกับมา้าม้าตัวมันขึกขนองตัวมันผาดโผนโลดเต้นต้องทนมันอย่าง ถ้าถี่นายถ้าถี่ต้องท ร, รมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินยานกนะจริกเลยดัดสนาน่นไม่ความันอ่อน ก, กำลังมันอ่อน ก, กาลังลงยรับการฝึกกเราเราก็ล่อนให้มันมันกินยากอะไรมากทำเป็นการป็นงานแนว่ยเราก็ไม่ท ร, รมานมันท ร, รมานไปหาประปอยชน์ไรก้อนเป็นการ็นงานเนี่ยเปนการ รักษาการระมัดระวังกันบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประยชนอะไรก็ใช้มีกิตเวลากำลังคลินก็นอนมันผากผลดนต็มก็เอามันยังหนักตัดไม่ทั้งอาหารก็ ม, มันกินวางไ ง, งวงอาหารทรรมชาติสองแย่สองอย่างนะอาหารส่วนธาตุขันก็มีอาหารที่เป็นพิษตาดนะครับมันจะยุ่ง พูดทันเทียบกันจากนั้นท่านก็มาพูดกันเห็นท่านานั่งตลอดรุ่มบ่อยๆเล่าถวายเพราะนั่งตลอดรุ่มวันไหนแล้วกันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของสัจจันท์เราไม่เคยพลาดเรานั่งตลอดรุ่มเอาเป็นอาตายเขาว่าที่ไรมืน่นเกิดความรู้สทุกข์ขืนไม่เคยพลาดเลยเพราะเราถึงยองตายเพราะเราจับเห็นของอาจจันทร์นั้น นั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้จักในขนาดนั้นมันเกิดความรู้จันด้วยปัญญ า, าเวลามันเป็นต่ออืมีความถนัดสามารถที่จะขุดคน้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระออกับหมายทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมอาจารยเห็นรอนั่นอเป่าแล้วเขาบอกว่านีนอนอาาาาน่เลยมันไม่อยู่กับกายะ มันอยู่ในจิตแต่กายมันเป็นเค ร, รื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเสริมหนมาบาดปวดเมื่อเวลาหนักก็นหนั ก, นกมื่อช่วงวนที่จะคนหนักขวัเบากันไปขึ้นไม่ทําให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนะให้นหนักที่ทุ้เวลาทรามาร์ดที่เวลาร่างกายผวบช้ำเพราะจิ ที่เละไม่อยู่กับกาที่เละอยู่กับจิตเมือมม่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะสมมันพูทธขนนั้เราก็เข้าใจทำให้คุ้นมากคุณครับเพราะกลัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดวัมนมีนะนั่งด้าขนาดเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วนั่งได หกชั่โมงแปดชั่วงสี่ห้าวถือเปนาา็นธรรมดาแปดชั่วงก็ไม่เคยนั่งตลอดด้วมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอ า, าไม่ใหหลังจากนั้นมนแล้วก็มีเรื่องปัญญาปัญญานนม่นอ น, นไม่นั่งไ ม, นนง ม, ม่นั่งเป็นยงไงนุ่มจิ งานงานส่วนงานมากที่งานหลักมักขั้นปัญญามีแต่งานทุ้งกิตล้นล้วนเปานงานแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงานรู้จกักวิธีทำเป็นอย่า ง, งมรราังนย า, ากท่านเอารู้จักวิธีทำมันเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตายไปงั้นต่วนขั้นหน้าปัญญ า, รราเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญา ยานลําหายมันก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยในมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้่เป็นนาเหตุผลเทียบเทียงกันถ้าทุกสัดทุกส่วนแล้วสิงนั้นมันก็ตกไปตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความรำมานตกไปเรื่อเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลัดปัญญาโอเคนี่เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติ ันระทังม่มีอะไรหยาบิดหนานั่นก็หมดทาร่าหมปัญหาไปเองสติปัญญาที่มุนตัวเป็นเกียวนั่นแหละคือมาสติมาปัญญาถ้าเราจะพูดจำหรอกทำเนี่ยเทียอมกับขั้บริการเนี่ยแต่นี้เราไม่อจะพูดมันเป็นการอาดเชื่อมมากไปถูงไปต่ำไปแปลว่าสติปัญญาเป็นธรรมติท่านพอแล้วกับภูมิของเราเพราะสมมติเถยๆตั้งมันชื่อสติเป็นยังไงเราก็ไปจับอยู่กับใจของเราแล้ว นี่พอมันผ่านั้นไปแล้วแปลว่ามีสติมันก็ไม่ถูกว่ามีปัญญามันก็ไม่ใช่เพราะไม่ไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นทั้งตนแม้แต่จิตยังไม่เห็นถือว่าเป็นตนนทั้งตดเร า, าจะไปถือสติปัญญ า, าเป็นอะไรเ้ื่หลังได้ยเป็นหลักธร e. ธ ร, รมทานแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็วาดไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไป นันไม่มีมันไม่ไม่ถูกทั้งสองสตว์กับปียาเพราะทั์ก็เป็นปียาเป็นสมมุนปัญญาก็เป็นปียาเป็นสมมุนคือเป็นเครื่องมือแค่กิเลสในนามกิเลสขึ้นไปแล้วนี่เป็นอะไรในนามเป็นเป็นเครื่องมือทําสำหรับทใช้ทาประโยชน์ร้อมเป็นสมมุทด้วยกันทุกสมุทัยนี้รวดหน้าก็เป็นสมุททั้งนั้นอืมเป็นทางก้าวเดินทั้งหมด ทุกการปัญญาทุกหเหยียบทุกก็นั่นสิหรือถอนธงอุทัยด้วยมากนี่ไม่รู้พอเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความร่างับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้อันมากน้อยเกณย์อะไรมันก็ดับทุกไปเรื่อยเย พ, พราะพบกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกมันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกที่จะเกิดขึ้นมาจาก กิลสประเทศนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรเ่อยๆโด ว, ดวทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกภานในใจไม่ดับหมดมากก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาที่หัมักสมาธิสมามิสงบปุตในทางสมาสมาธิเฉพาะอย่างนีง้ผมคิดสติกับปัญญาที่ทาํางานหนักที่สุดก็หมดปัญหาไป ไม่ได้หมุติวอย่างที่เคยเป็นสะมุนหาอะไรก็ต่อสู้ครานั้นก็ต่อสู้ค่าสึกเมื่อ่าสึกมันลาบไปแล้วก็นไปตาดสู้อะไรต่อสูขขข้คนตายมันเกิดเอะไรตายแล้วยินอยู่นั่นยิงอยู่เลยเคียก็ถึงมือเป่ต่อสูก้ก็เมก็หมต่อสูขขอ้อะ ไ, ไ, ไรก็หมกตสู้มือเปล่ามันเกีดเยอะเลยนี่มันเลียวปีกยาว นอกจากความมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมุติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งบูตะการดำทัทบทับพระบุตรเป็นต้นข้หาว่าท่านเป็น อ, อะไรเป็นทงางอาตาชิตาตชิตกับภิกษุณีหรือว่ า, ท, าทั้งที่ท่านเปิดประหารแล้วพระท้าวระบุตท่านเป็นประหารไม่ไดเป็นเลยเนี้ย น, นิววิทยากองสมยกสมมุตินี้ขึ้น รับกันมึผู้ฟ้องร้องโง่มึงผู้ทรงยิ้มไถ่โง่ไม่ต้องยิง้มไย่ยากพระรธรรมมูลนั้นเธอเป็นผู้มีสติอนสมบุรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้คุณนาธรรมสติส ม, ส ม, สมสบุญแล้วขึ้นมายถึงมชนบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากส ม, มุนี้โดยประกมมารทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติหาประมาณไม่ได้คุณนายธรรมชาตินั้น เป็นของตายตัวเลยคุณเข้ากันนั้นอ่ะคุณทำงงานคุณอย่างนี้แต่นีทำลาบอกว่าท่านมีเป็นมีสติเป็นสติยิ่งหนาันวางตอนนี้มันลาดปักเป็นสติยิ่งไหนเพราะอันนั้นมาเป็นถึงมือการช้องน้องมาเป็นถุงมือสติยิ่งหนก็เป็นถึงมําต้านทานกันปลดเครื่องออกช่องล้องความขัาอินทานนั้นด้วยสติยิ่งหนาย ไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ไม่ไม่ได้ว่าถ้ามันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารอย่างพอดีท่านไม่ได้สาคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความกินเท่านั้นเองความกินโดยหลักธรรมชาติถ้าจว่าท่านมีสตินี้ก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผอจะติดมันก็พูดไม่ถูก ท, ทกกกั้งนั้นเลย เพราะอั น, นั้นไม่มีอะไรที่ ใ, น ใ, นใสอันนี้มันเหนืก อ, อั น, นี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่แน่นอนเพราะไปจากมัชชิมาปฏิปทานะอันนี้แหละเป็นเรื่งองอย่างเอกที่เหมาะสมสุกดกับการฆ่าสิริทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชชิมาปฏิปทานที่ผู้ยอสมแบบว่านี้ในี้องมัชชิมาฝังศิตมีเดียวมีแหล ม, มไปไหนมี ก็มีตายที่ไห น, นทํา ก, า ก, กลางมันกหล่ายิ่งลาเหมอะสมของการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานํามาแก้มั้จะไปไหนกิเลสมันก็ต้องตายเป็นเดียวทั้งปุตตเจ้าทั้งปุตการกิเลสตะวันเพื่อเดียวกัน ก, กับทั้งปุตการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียเพ่ยนเป็นประเภทเดียวกันเถอะสาคัญที่ความเพี่ยนที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่ยินเลย อาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของไม่ยกึันไปท่านมันก็ประโยชน์ต้องอาตัยความเปลี่ยนหมุนมันไปความทุกข์กความเปลี่ยนนีไม่ได้เป็นเครื่องกดผูกจิตใจให<ม>้รับความลำบากบนบนอนอกจากมีส่วนร่างขายท่นแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเ ป, ป็นลายไปอ แต่เขาชกมวทำไปเมื่อทีก็ถึงขั้นสลับไปไหลไปอย่างนี้เขาบางค น, นก็กล้าหารต่อสู้ห น, นึ่งนี่เราก็เป็นนักรบลูกทีเดียวขาโคตไม่เคยรงสั่งสอนให้สุกสากระยะบุตรของพระองค์มันให้ท้อถอยออกนแอให้ล้มลาลาตาพวี่เด็กสังหารไม่ นอกจากให้กิเลสมันตายหายอนึง่งนั่งอยู่กิเลดตายอยู่รอบข้างยืนอยู่ยีิเลดตายอยู่รอบข้างโดยการคิด น, นาน้ดยการตังหารโดยทางความเพียรเดินอยูอกดีนอนอกอ็ดีเว้นสลับไไนั่นนะนี่กิเลสมั น, ไ ป, ปนไปที่ไหนนั้นกิเลมันตามนไหากิเลสเป็นเป็นเป็นตัวไปบนที่ั้นเหยียบไปทราบไปอกกิเลสแต่ก่อนนี้นเหยียบเราเหยี่เหยียบเรามากี่โคกี่ข้าวพบกข้างเรายิ่งมากกว่ากิเล พิเด <iet> <yap> ็ดค่าเราให้เกิดให้ตาให้เก <ology> so ิดให้ตายกี่พวกี่้างมาแล้วเรานั่งได้หรือเปล่าเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในภพนั่นภพนี้มันก็นั่งมาได้เยอะมากไหมทพิเดชมันไม่มากขนาดนั่นอยู่ในห้องใจเราเราทำไมจะข้ามได้ล่ะมันตายเกิ่อนยู่ตามไปอย่างนนทางเพราะความเขียนในเอเบบต่างมีแต่เอเบบที่ฆ่าพิเด็ดนั่น ที่เหือมดไปแล้วมหมดเท่านั้นแหะทุกมันมาจากไหนทุกก็มีแต่ทุกในขนนันเทนะ่านั้นเองรุนละคล้ายนี่คือรับทราบมลยเฉที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนรับความบอกช้ํามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นมิสัยของสมมติเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้อย่างไรสมมติจะเข้าไปเหยียบย่าทำลายจิตของประดานได้ไหมมันจะมีจิตใจแค่นี้ ยิ่งยว่าพาราฮาวิเป็นจากขันธ์าภ า, าขันธ์ห้าเป็นภาอว ห, หนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีการาขัน์หนักให้เพื่อจินาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นภาราอันเป็นพาราฮาวิเป็นจากขันธาประเภทหนึ่ีเวากินได้ผ่านพน้นอกไปแล้วก็มีพาราฮาวิเป็นจากขันธาประเภทนี้ต้องมีความรับผิดชอบตลอดแต่จะกระทั่งถึงวันานศาในชีวิตากินผานานอนผาขับผาผ า, า, าเดินนั่งไป ล้วนแล้วถ้าเกิดพยุงขันป ร, ประคองขันเล่นกับขันรักษาขันนักิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีไม่มีจะไปเลไปยุ่งไปเหยื่อวุ่นวายไ ป, ไปได้รักษาจิตจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้เราสมาระวังรักษาไม่มีมเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังถ้าอะไรก็ฟั ง, ง, ฟงอืมก า, ก, าการฟังกันรักทราบจากการฟังซึ้น ถ้าถูกวิญญาณมันมันก็เป็นสมมุติมันตาปลุกขึ้นมาพร้ดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นตาปลุกขึ้นมาถึง น, นั้นดับไปความรับลู้ก็รักทรา บ, าบมันก็ดับไปดับไปดับไปมันก็มีเท่านั้นมันมีนอะไรที่จะขึ้นข่าเข้าไปเหยียบย่ำความมายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แ ต, ต่ตัวแล้วนั้นไปเลยเนี่ยนี่เขาเนี่ยวพาลาเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงกันนี้แล้วพิจนารณา โอ้พ่เจ๊นภาลาเองมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นน่าตอนนั่นสอนให้เห็นโพษเพวยอจะถอดถอนมุปาทานตอนนี้มันถึงมันเลยขันไม่เห็นโพษเห็นภัยงมันภาราเวเป็นจกักรินธาขันห้ามภาลานักเนะื้พภกเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้ามมันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักขอพวกเขาเะยอีกอนะตัวไม่เห็ น, น, นหโทษพิจนาแยกแยกดู่วนต่างๆของมันของขันนี้ มีอะไรบ้างที่นารู้ไม่เห็นมีสาระอะไรเห็นเราก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีงสาระที่ใชจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้เลยด้วยเนี่ยทีเวลาพิจารณาเห็นชาติตามความจริงนะยรินก็ถอนตัวออกมาทีนึงถอนตัวมาโดยลําดับนับ่นฮิตก็แสดงความเปมีสาระขึ้นมาโดยลํำดั บ, บจากการถอนุ่นทางคือลําดับมาแล้วหนังถอนเตนที่แล้วก็เป็นหาสาละ มันเป็นภาระเวยปัญญาขั้นนันขั้นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นภาระเวรปัญญาขั้นฐานพื่อความรับผิดชอบก<ม>ระหะ า, ะา่านั้นังการับผิดชอบไปถึงสถาบันมันไปผ่านผ่านเดินตางคมน้ำฝนพุทธมนาเพื่อเป็นยีหารธรรมนที่ตัดธรรมมาเป็นอยู่ว่านับษารัในระหว่างขั้นกันพอเบาพอสูง อันนี้เรียกว่าเป็นที่หาธรรมในทิฏฐ ธ, ธรรมเป็นความอยู่สบายในยระหว่างาพออันธกิจพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพ อ, อ น, นี้สลายจอมไปแล้วที่นี่หมดธรรมะาลาไฮย์ เ, เป็นจากขันธ์ฐานอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตั ว, วเราแต่ถามเรื่อยเรื่อยอันนี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทังนทีตาเราจะสูญหรือมันสูญไหม คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบรรลุเธออีกหนึ่งถ้าจะไปคิดให้เสียเวลาวามันอยู่กับตัวทแท้ๆนุ้ยอยู่วเฉยๆจะไปสูญไปสิ่ที่ไหนก็สารตคบคบเงามันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมั น, นยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราเองเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามถามไปทาไมือนิพพานสูนยังไงสูญยังไงตายแล้วเกิดการแลู้นย์ถามไปทําไม เสียเวลาตัวก็อยู่ทั้ขงขังขงตัวก็อยู่กับเรานะี่ยทำให้ตัวที่ยหนอี๋ศูนย์นี่ไม่ศูนย์จิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแน่เมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิในความรู้แล้วทําไมจิตจะไปสง ส, สัยเลนสิงนี้พอที่จะมาคิด ม, มาปรุงมันไม่มัมนเข้ากันไม่ได้การตั้งตั้งใจเวลามาอยู่ด้วยกัน การรวมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์หลายเหมือนเหมือนกันนะผมไม่ไดึงประมาดดูถูกครูบาอาจารย์หลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์หลายต า, า, า, ายตฟังเทศไม่ถึงใจงไม่อยากอยู่อืีกประการหนึ่งเทศคําพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอืมันมันก็ทําให้แถลงตาแถลงใจเหมือ น, นกัน เวลาะจะหมอบรากก็คือป่าท่านฉันพ่อแม่ท่านฉันมั่งเรามันหมอบราบหมดเลยทั้งทั้งที่เรียดมีอยู่มันก็หมอบราบคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่เย่งแย่งไม่ได้แล้วพอาจความเชื่ออย่างปุ๊บตอนนี้หละครูจาังของเรา <m> ได้หลักยึดจะสอนให้ถึงเหตุถึงผลถึงหถึงทรรมตามความคิดไม่ต้องด้นต้องดเดา พอต้องมาจากความคิดนี้มาสอนตามขั้นจริงของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นถิ่นนั้นๆผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนสอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะปรพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดร่าเร้าทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้ว รู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะอย่างพู้พุทธเจ้าทรงสอนพระโลกที่ว่าแปะมือจีพันมรตามขันเพียงพอประมาณเท่านั้นแลหละอย่างที่ในพูดไว้ใน เ, เรื่องการปัญหาในเชี่ยวรืน่นเหมือนกับน้าในตุ่มเรายอมรับทันทีเพราะทําเกินเรื่อยเรื่อยๆไม่มีสิ้นมีสุดถ้าไม่ไม่ตายเสียในแงเตี้งต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่ เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดมโอ้โหจะว่าแต่เหมือนสมาการนี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านท่า น, นยกไวเพียงประมาณท่านปุโรฒนามันยกไวพอประมาณดังนั้นมันจะต้านเบือเหลือกำลังูย่างบูรพีมัดวันนี้ที่คุณปรเจคพูดตะวนแล้วธรรมญานิบาต น, นี่น้่อครับแอบกอยกอหวัดกําเนิง